210. ถ้าไม่เรียนรู้ทิฏฐิให้สัมมาก็จะเป็นคนผู้วิปลาสในพระไตรปิฎกเล่มเก้าพรมมาชาลสูตรสูตรที่หนึ่งของเล่ม9นี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสถึงทิฏฐิทั้งหลายประดามีของคนในโลกทั้งในส่วนที่ยึดถืออดีต18ทั้งในส่วนที่ยึดถืออนาคต44 ซึ่งรวมเอาส่วนที่ยึดถือปัจจุบันห้าไว้ด้วยว่าเป็นมิจฉาทิฐิทั้งหมดเป็น62ทิฐิมีอยู่ทิฐิ62นี้เท่านั้นเท่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรูปประมวลไว้และตรัสไว้ดีแล้วเพื่อให้คนได้เรียนรู้มิจฉาทิฐิในตนทั้งหลาย สำหรับประเด็นมิจฉาทิฏฐิในส่วนที่ยึดถืออนาคต44ซึ่งรวมเอาส่วนที่ยึดถือปัจจุบัน5ไว้ด้วยนี้ต้องอธิบายกันอย่างสำคัญยิ่งทีเดียวเพราะมีภาวะซับซ้อนทั้งในความเป็นสภาวะของธรรมะทั้งในความซ้อนของกาละเพราะความเป็นปัจจุบัน น, นั้นมีทั้งที่เป็นปัจจุบัน ทั้งอนาคตซ้อนกันอยู่และทั้งในความเป็นโลกียภูมิโลกุตรภูมิในความเป็นปัจจุบันจึงมีความซับซ้อนที่ผู้ศึกษาต้องศึกษาดังนั้นผู้ที่มีทิฏฐิในเบื้องต้นแม้แต่ในความเป็นการทั้งสามการอดีตปัจจุบันอนาคต ความรู้ความเข้าใจคือทิฏฐิของเราก็ยังไม่รู้ชัดว่าตนไปมัวหลงมุ่นอยู่กับอดีตก็ดีแม้แต่กับอนาคตก็ตามโดยละเลยปัจจุบันนั้นผู้นั้นก็ผิดทางเรียนรู้ความจริงหรือฝันไปแล้วจึงเป็นผู้วิปลาสสามสัญญาจิตทิฏฐิ ไม่สามารถเรียนรู้วิปรราสสีสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งไม่เป็นตัวตนว่าเป็นตัวตนสิ่งที่ไม่น่าพึงใจว่าน่าพึงใจพระไตรปิฎกเล่มย1ิดข้อ49่จนสามารถปฏิบัติเข้าถึงความจริงอย่างสำมาทิฐิพนจากฝันได้แน่